แล้วก็เลยกล่าวป ร, รารถนาท่านว่าสวนแสงธรรมวันที่สิอจะมีการเทเท ท, ทองรูปเหมือนเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชสองรูปเมื่อคราวเมื่อข่าวที่แล้ววันที่28ท่ทรรรันวาเนี่ยเทรูปเหมือนองค์หลวงตาเอาไว้ที่สวนแสงธรรมแต่คราวนี้จะเท ร, ร, รูปเหมือนเจ้าประคุณสมเด็จ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 ถึงจะทําอยู่ที่วัดปานาคำน้อยแต่ลำเลึกถึงพระพุทธเจ้าทําวิสาขะอยู่ที่นี่ลำเลึกถึงพระพุทธเจ้าตประสตูตัดสรู้ปรินิพานถึงจะทาที่ไหนก็คือลำาลึกถึงผู้มีอุปกระคุณผู้มีพระคุณคือพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์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 แล้วก็วันที่ส8บปดถวายพระทหารเช้าส7เจ็ดในสวดมนต์เย็นแล้วก็ฟังธรรมเทศนาทำกิจกรรมคารวะพัจดีดีคารวะอธิธาตพระธาตุของหลวงปู่ล่าแล้วก็วันที่ส9เกคงทำกราบคารวะหลวงปู่จามก็ขยับไปอีกนะ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 มียศถาบรรดาศัก์ล่ำรวยมหาศาลถึงขนาดไหนก็เถอะก็ไม่ววยที่จะแก่เจ็บตายในที่สุดถ้าเมื่อเรามีการแก่เจ็บตายอยู่แล้วชีวิตทั้งชีวิตของเราเกิดมาพบใดชาติใดก็จะหาความสุขได้อย่างไรเพราะพวกเราเห็นอยู่แล้วระดับไหนก็เถอะถึงคราวนั้นเข้ามาแล้วแก่เจ็บตายเข้ามาแล้วมันไม่สีวิไลเลย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 แพ้กิเลสแล้วไนยะกลับมาตั้งหลักใหม่สู้อีกสู้ไปก็โอ้โตโตโ ต, โตสู้กิเลสไม่ได้อีกอจนกว่าจะเห็นโทษมันนะเออจึงจะเอาชนะมันได้นะวันนี้ก็ให้แนวความคิดสำหรับปกเราคณะพระลูกหลานทั้งหลายคณะจัทธาญาติโยตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร